พัทเทกรตาตคาถาอนุมยังพัทเทกรัตคาทายโยปนามเาเซอธิตังนานวาคัมายานาะปฏิกังเขอนาคตาังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ด้วยอาลัยและไม่พึงพาวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธาตีตามปะฮีนันตงังอปตันจะอณาคตางังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุปันนันจายุธรรมังตาธาตาธาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามนุปรุหายเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่า ง, างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นกรอนแคลนเขาวควรพอ่อปูณอาการเช่นนั้นไว อาเชวะกิจจะมาตาปังโกชัญญามารณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังคัรเตนามหาเซเนนามัจจุนาเพราะการผาดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามาก ย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังเวหาริมาตาเปิงอาโหราตามตันทิตังตังเวพาเทกะระ ต, ตติสันโตอาจิกาเตมุนีมุนีผู้สงบยอมกล่าวเรียก ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม